ขอความสุขความเจริญจะงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอสาธุสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยอานิสงส์แห่งการให้ทานเป็นลักษณะของคาถาที่เทวดากล่าวในรูปของการอุทาน แต่ว่าเป็นการรุทานต่อพระพักพระพุทธเจ้าก็ทํานองคล้ายๆจะขอให้พรงส์งพิจารณาเชียบเคียงตัดสินว่าในคำกล่าวทั้งหมดนั้นของใครเป็นสุภาษิตคือเป็นคำกล่าวที่ดีแล้วคำกล่าวที่ชอบแล้วยุติดด้ดยเหตุผลและความดีก็ลักษณะเหล่านี้ แล้วมีแนวของสรรัพพุลิสสูตรก็ถามแนวนั้นก็มาจนถึงจุดหนึ่งคือช่วงสุดท้ายนะก็เทวดาอีกตนหนึ่งก at ็เปล่งอุทานว่ากาแต่พระองค์ผู้นิรุธุกทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แหละ แม้เมื่อของมีอยู่น้อยการให้ทานได้เป็นการดีทานที่ให้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สาเร็จได้ทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมได้แล้วหรือบรรลุธรรมแล้วยิ่งเป็นการดีทานที่บุคคลเลือกให้เป็นการดีแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายเนี่ย คือท่านเปลี่ยนเป็นจากทานมาทานที่เป็นเชิงวัตถุมาเป็นอพิญฐานคือการสํารวมแม้ในสัตว์ทั้งหลายยิ่งเป็นการดีเรียนที่บอกไว้ว่าข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่มนุษย์เริ่มเกิดขึ้นมาในโลก แล้วก็เริ่มอยู่ร่วมกันเนี่ยก็เริ่มมีการบิดเบี้ยนการประทุสร้ายกันมันกระทบกระเทือนเกินหมดแหละกรรมาความวาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเพื่อความดํารงอยู่ของตนและพวกของตนก็จะมีการยื้อแย่งการด้วยวิธีการต่างๆ แล้ในนี้มนุษยก็มมนได้เปลี่ยนอะไรก็ยังมีการที่แย่งมีการเบียดเบียดมีการประทุษร้ายกันที่มีการพูดถึงแย่งอาหารกันแย่งทินที่อยู่กันแย่งคู่ครองกันก็แย่งอำนาจกันโลกมันอีกกี่ล้านปีมาแล้วก็ไม่รู้นะแต่ปัจจุบันให้เราสังเกตว่าเราก็มีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ตลอด ก็กลายเป็นปัญหาเดกกรรมที่เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ในทรัพย์สินเพราะเราจะพบคำว่าศีลที่แปลว่าสำรวมระวังการไม่ล่วงละเมิดจนกรรมกับควบคุมอาการกายวาจาให้เป็นปกติกังเกตมาตรฐานของความเป็นศีล มาฐานเบื้องต้นก็คือไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนแล้วพอสีเริ่มประนีตขึ้นเนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นพอประนิตขึ้นก็ไม่เบียดเบียนตนเองก็สรุปแล้วว่าก็มีเป็นเป็นสี่ระดับเป็นสามระดับ แต่ว่าพอมาถึงสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายที่จริงมันเป็นอาการของศีลที่เจอด้วยธรรมะเข้มข้นสูงขึ้นก็อย่างที่เรียงลำดับไปฟังในวันก่อนว่าเป็นศีลข้อปานาธิบาแต่ว่าเป็นการนำข้อความเต็มมาลงไว้เป็นลำดับพวกนี้ก็อยู่ลำดับที่สาม ก็ยังอยู่ในกรอบของศีลอยู่นั้นก็คืออริยสาวก ค, คือคนดีในโลกนี้งดเว้นจากอนาธิบาตไม่พกพาสตรวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายก็คือไม่ล่วงละเมิดพอถึงไม่ล่วงละเมิดมันก็ไม่อื่นไปจากเรื่องของสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครอง ในการรับฟังข้อมูลข่าวสารในการสื่อสารกับเขาแล้วก็พอถึงศีลข้อที่ห้าเราจะเห็นว่ามันเริ่มจะเป็นการไม่เบียดเบีนตนเองเพราะจริงคนดื่มเหล้าคนเมาเหล้าเนี่ยหรือถ้าดื่มตำล้ำพังเมาตำล้ำพังอะนะฮะก็เบียดเบียนเฉพาะตนเอง แต่บอดีคนทุกคนนี่มีคนที่เกี่ยวข้องเ้าเรียกเป็นครอบครัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกายชิดเช่นบุตรพัรยาพ่อแม่ก็เดือดร้อนแต่ว่าเจตนาจริงๆคือผลกระทบตรงจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นแก่คนที่ดื่มเพียงแต่ว่าพ่อแม่บุตรพันยาเหล่านั้นก็รู้สึกว่าพ่อเราสามีเราลูกเรา ก็เดือดร้อนด้วยอำนาจของอุปท า, านแต่นั้นจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้เราจะไม่เดือดร้อนเวลาคนอื่นเขาดื่มแต่จะเกิดมันก็เกิดไม่ตากรุณาสงสารเขาตอนการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นกรอบที่ใหญ่มากๆเพราะเพื่อจะให้ ได้บทสรุปง่ายๆผู้ศีลทั้งหลายของพระเนี่ยก็ถือว่าจริงๆมันก็ขยายไปจากศีลห้าเพียงแต่ว่าพอให้เกิดประนีตขึ้นไปจริงๆมันก็กลายเป็นศีลสี่คือจจตุปาริสุติศีล ส, สีก็เรียกระดับศีลนี่เรียกว่า ปติโมกข์สังวรคือสัรมรว์ตามบทบัญญัติของสิกขาบททั้งหลายซึ่งก็มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งก็คือส่งสอนให้งดเวน้นแล้วก็ส่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติหมายความว่า ง, งดเว้นในกรณีที่ส่งสอ น, นงดเวน้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในกรณีที่ส่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติ แต่มีลักษณะเป็นบัญญัติคือเป็นกฎ ก, ฎกติกาของหมู่คณะเป็นระบบก็เรียกว่าเป็นก้าวหรือขั้นตอนของการศึกษาเพื่อพัฒนาอาการกายวาจารใจของคนในประนีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะยังไงยังไงก็ต้องเกิดตะเกตธนาคือสำรวมระวังพูดง่ายๆว่า ไม่ล่วงละเมิดในบทบัญญัติที่พระเจา้าทรงบัญญัติไว้แล้วก็ปฏิบัติตามข้อที่ทรงอนุญาตไว้พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาได้อินเสียสังวรคือสำรวมระวังอินเสียก็อีกแหละกะตาหูจมูลิ้นกาใจเวลาสัมผัสกับอารมณ์อย่าให้เกิดกิเลส ก็คงดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิมรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนรังแ็งอยู่เป็นปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าอย่าให้เกิดกิเลสประเภทยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามวิทยาก็ตามเบียดเบียนก็ตามอคติก็ตามนะคื อ, คอแล้วแต่วันก่อนนี่ฟังศาสตราจารย์อุกฤษมงคลนาวินเขาพูดเรื่องกรณีของการ ที่มาเวตาลัยจะออกนอกกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่ออกนทาก็เสนอดีก็มีประโยค์หนึ่งก็เออนักกฎหมายนี่ดีพูดดีท่านบอกว่าคือให้ตั้งกรรมการที่ยุติธรรมแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์วิจัยปัญหาเหล่านี้อย่าตั้งทงไว้ก่อนว่าเขาผิดหรือเขา ถูกแต่ว่าศึกษาองค์ประกอบต่างๆแล้วค่อยไปชี้ถึงผลดีผลเสียคือพิธีกรถามในทํานองว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยนี่จะได้ประโยชน์เยอะถ้าจะออกนอกกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทีนี้ท่านก็ไม่ยืนยัน เแต่ว่าถ้าต้องการชัดเจนก็คือต้องมีการวิจัยมีการศึกษามีการสอบถามโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนไม่มีผลประโยชน์ร่วมอยู่ในเรื่องเหราแ้่คือชอบใจที่คำว่าตั้งท่งไว้ก่อนเนี่ยพระตามปกติแล้วสังคมเรามักจะตั้งท่งไว้ก่อน คือในกรณีของกฎหมายเราตัดสินว่าผิดตั้งแต่ต้นนะครเราตัดสินว่าถูกตั้งแต่ต้นโดยอำนาจของความยินดียินร้ายจริงอๆหรืออำนาจของความยินดียินร้ายคือหมายความว่าถ้าเป็นพวกเราก็ถือถูกก็คือถูกยิ่งยิ่งขึ้นถ้าผิดก็จะให้ผิดน้อยที่สุดจนถึงก็ไม่ผิดแต่ถ้าคนอื่น ถ้าไม่ผิดก็พังพยายามไม่ผิดแต่ผิดน้อยก็พยายามไม่ผิดมากทีนี้ถ้าถูกก็พยายามไม่ถูกน้อยนี่คือปัญหาถาวรซึ่งยังไงก็แก้ยากมากแต่ว่าเมื่ออยู่ในกระบวนการตรงนี้ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติได้เพราะปัญหาจริงๆที่เราอยู่ด้วยอุเบกขาที่ ไม่ได้เนี่ยอุเบกขานี่ที่มันยุ่งเนี่ยคือจิตมนอคติแต่ในการที่อคติคือเราสะสมความรู้สึกพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจที่เก็บสะสมอยู่ภายในใจเนี่ยตือพุทธเจ้าทรงแช่เข้ามายินดีจินไ ร, ร้ายเราอาจจะพูดว่ารักชังก็ได้หรือชอบไม่ชอบก็ได้คือแต่ละอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ใช้อารมณ์ตัวเองวินิจฉัยเอา พอใจก็เพราะฉันชอบอะไม่พอใจเพราะฉันไม่ชอบอะมันมันไม่ใช่มาดเวทเวนโดยเห็นว่าคำสองคาคือยินดียินร้ายนี่เรื่องใหญ่มากมากเลยแล้วเราก็ไปไม่ค่อยรอดเพราะว่าใจมันจะแหว่งไประหว่างยินดียินร้ายแทนที่จะรอกระบวนการขั้นตอนต่างๆนี่เราไม่รอแล้วเราก็ใช้อารมณ์ ก็ยินดีก็เป็นอารมณ์นะฮะยินร้ายก็เป็นอารมณ์ยินดีก็เป็นพวกราคะพวกโลภะพวกการมณ์พวกสันทะพวกตัณหาก็แล้วแต่มันเข้มข้นขนาดไหนพวกยินร้ายก็จะออกมาโรคอารติคือความไม่ยินดีความไม่พอใจความไม่ชอบความหงุดหงิดความโกรธความผูกโกรธความอาฆาตความพยาบาทความจ้องเวรก็ไม่รู้มันก็แรงไปเรื่อย ตรงนี้เป็นเหตุห้ตั้งทงเพราะในคำว่าตั้งทงเนี่ยเป็นภาษาที่ที่มันเกิดเป็นภาพขึ้นต่ทีินโรคหน้ากืตัดสินไว้ก่อนลรหน้าแล้วเราจะสังเกตเหตุการณ์ในบ้านในเมืองเราก็มีบ่อยนะที่มีลักษณะตั้งทงเกอตามหมรู้สึกรู้สึกสลุด รู้สึกสลดใจที่เราเรียกร้องสมานฉันนเรียกร้องสามัคคีเรียก ร, อร้รกรองรู้รักสามัคคีอะไรแต่อะไร ต, ต่างๆแต่ก็มีการตั้งทงไว้พวกนั้นผิดพวกนั้นไม่ผิดมันก็ไม่มีอายอะเกี่ยวความขาดศีลแล้วนะเป็นศีลระดับอินทรีย์สองวร์นี่สอบตกแล้วประการต่อไปก็คือ เรียกว่าอาชีวะบริสุทธิ์คือเลี้ยงชีพในทางที่บริสุทธิ์ในกระบวนการของการเลี้ยงชีวิตทั้งหมดในการแสวงหาการได้มาการถือครองการพกใช้สอยการเก็บออมการแจกแบ่งอะไรต่ออะไรก็ตาม มันไม่มีปัญหาในแง่มุมของกฎหมายแล้วก็แง่มุมของศีลธรรมประการต่อไปที่จริงก็ค่อนข้างเป็นเรื่องสนยนตัวแต่มันไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการมรู้จักกำกับควบคุมใจตัวเองปล่อยให้ความอยากครอบงำบางครูพเจ้าก็ส่งสอนภูชนเนมัตตัญญา คือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารในการบริโภคปัจจัยสี่พวกไงว่าวทั้งทั้งหมดอะคือคือปัจจัยสแต่ทีนี้ทั้งหมดมันเป็นปัจจัยของกันและกันคือมันมีกรอบของสิกขาบทอยู่แต่ทีนี้เพื่อให้สิกขาบทเหล่านั้นดําเนินไปเราก็ต้องไม่สะสมความยินดียินร้ายภายในใจให้มากพอจิตมันไม่มีความยินดียินร้ายเนี่ยมันก็มันก็ต้องไปฝ่ายกุศลทําให้การเลี้ยงชีพ เป็นไปในทางที่ชอบทำเดยกก็ทำให้ได้ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการเปรนพวกแค่สอยปัจจัยสีโดยไม่ตกเป็นทาตของปัจจัยสีทีนี้ตรงเนี้ยบางครั้งก็ส่งสอนเป็นอย่างอื่นแต่อย่าลืมว่าผลผลออกมาแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าจะลึกซึ้งขึ้นไปโดยลำดำับมันจะมีความประณีต เกิดขึ้นภายในจิตจิตจะสงบจิตจะเยือกเย็นขึ้นไปโดยลำดับหมายความว่าปฏิทินท่หนึ่งก็จะเป็นธรรมะข้อที่หนึ่งคือจะเป็นศรัทธาปฏิโมกข์สงวนสมรวมรำบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยแตเราใช้ศรัทธาเป็นหลักเราก็เชื่อมั่นในพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า แล้วพอถึงข้อที่สองในใช้สติพอข้อที่สามเนี่ยอจิวะไปสุชีเนี่ยใช้ความพยายามเพราะว่าใจมันแว่งนะฮะใจมันสั่นไหวโอนไหวไปตามอารมณ์จิตในยินร้าย น, นั่นแหละเพรา ะ, ะนั้นจึงต้องพยายามดังนั้นความพยายามเนี่ยก็คือ พยายามป้องกันความชั่วกับลกความชั่วในขณะเดียวกันก็พยายามพัฒนาความดีแล้วก็รักษาความดีผมก็ถึงจุดหนึ่งนี้เกี่ยวกับปัจเจศีก็เน้นที่ปัญญาเลยเพราะถ้าเรามีปัญญาเป็นหลักในการครองชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องวุ่นวายอะไรทัร้งไรหรอกถึงปัจเจยีแต่ว่า สังคมเราที่จริงมันก็ฉุดยากนะพระวาการมสุขาริการนยกเนี่ยพระพุทธเจ้าส่งสอนมาตั้งนานแล้วแล้วมันมีมาก่อนยุคที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกที่เราพูดถึงสังคมบริโภคบริโภคนิยมอะไร อ, อะไรต่างๆมากมาย ก, ก่องเสรีนิยม แลก็เศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆที่จริงมันก็อันเดียวกันนั่นแหละคือยังนึกว่าถ้าเรารณรงค์ให้มีหลักธรรมบเมือนก่อนนี่ไปประชุมสัมนาพระนักบวยแพ่ มาก็เป็นประธานนะเปิดเปิดงานแล้วก็เปิดบรรยายอบรมก็พอดีตอนบ่ายเนี่ยคุณหญิงที่ภาวดีเมฆสวรรค์ได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายและท่านก็ยกย่องเช่ดชูนโยบายที่เกียกัสังคม เลยก็ให้ผู้อำนวยการที่นั้นบอกว่าไปซีลอกแจกพารี่นโยบายเนี่ยเอามาอ่านดูคือมันแปลกที่เราทิ้งคำว่าศีลธรรมคำว่าธรรมะจริยาคำว่าศีลธรรมคำว่าสุรราสจริตเนี่ยเราทิ้งแล้วเราคำว่าคุณธรรมขึ้นมาแทน ซึ่งกรอกวองคําว่าคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเนี่ยที่จริงถ้าเราเข้าใจเรื่องแล้วเนี่ยมันเป็นอยู่คนละขั้นตอนของจิตคือคุณธรรมเนี่ยแันมันเป็นความรู้สึกภายในจิตเราเช่นมีอิริมีอุตตปะมีเมตตามีศรัทธามีความเพียรมีปัญญามีสติเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณธรรมแต่ละข้อเนี่ยเป็นคุณธรรมแต่้น มีการพูดจาแนะนําสั่งสอนชี้แนะเพราะอันเนี้ยมันควรประพฤติปฏิบัติก็กลายเป็นจริยธรรมจริยธรรมแปลว่าธรรมะที่ควรประพฤติซึ่งในภาคปฏิบัติจริงๆในโครงสร้างอริยสัจเนี่ยมันก็เป็นจริยธรรมด้วยกันแต่ว่าประพฤติได้เป็นมายความกลุ่มทุกสัจเราก็กําหนดรู้กลุ่มสมุทัยสัจเราก็ละกลุ่มนิโรธเราก็ตั้งปเป็นเป้าหมาย หลุมัตดก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นแต่ว่าอาการที่พึงประสงค์จริงๆก็คือความต่อเนื่องของคุณธรรมเหล่านั้นมันไปอาการกายวาจาใจเนี่ยมันสะท้อนใหเห็นถึงความมีธรรมะอยู่ภายในใจตัวเนี้ยเราเรียกว่าศีลธรรมเป็นคนดีมีศีลธรรม หรือผู้ดีมีสินธรรมทีนี้เราใช้เนี่ยคืแสดงถึงการต่อสู้กันทางทางความคิดนะฮะคือแต่เราไม่คิดอะไรให้มากเนี่ยล้วถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องคือไม่ได้มองให้ตลอดสายไปเนี่ยเกิเห็นว่าในเวทวงของศาสนาเราจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ่านที been, mainland, ่คำสามคาเนี่ยมันมีในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเพราะเป็นคําบาลีทั้งหมดเราเน้นที่ศีลธรรมก่อนหน้านี้เราเน้นที่จริยธรรมซึ่งเป็นพระพุทธธรรหรัดที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้าปัสสินในกฎสนเาเรียกว่าธรรมจริยาสรมะจริยาก็คือกุศลกบฏสิธนี่แหละก็คือสุดจริตเด่นที่วาเนี่ย มาคถ้าอยู่ตรงนั้นก็คือสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าในการต่อมาเนื่องจากภาษาเนี่ยพาศาสนาอื่นก็เข้ามาภาษาไทยคือภาษาบาลีนี่มันกลายเป็นภาษาไทยไปเขาก็นำไปใช้คำว่าจริยธรรมหรือจริยศึกษานี่จริงมันเป็นเอติกทางปรัชญา โปรตันคริสก็เอาไปใช้และคุณธรรมทางอิสลามก็กใชนะ้อย่างคราวหนึ่งที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยเป็นอิสลามเนี่ยบ้านเมืองน่าอยู่เชื่อชูคุณธรรมจนแม้แต่ในรัฐธรรมนูญนะยังปรากฏว่าความรู้คู่คุณธรรม พระบัญญัติการสาแห่งชาติสี่สองก็พูดถึงความรู้ภูคุณธรรมแต่ไม่มีใครนิยามคำว่าคุณธรรมมันคืออะไรและเคยมีสมัยหนึ่งที่พูดถึงจริยธรรมถึงอะไรตั้งหกสิบกว่าข้อด้วยกันแต่ว่าจะเรียกอะไรที่จริงไม่ค่อยสำคัญนัก เพียงแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาคือเรื่องมันเรื่องมันไม่น่าเป็นปัญหา แ, แต่มันเป็นปัญหาได้อย่างการที่มีการขอขามาในกรณีตักใบเนี่ยเวลาเขาไปขยายผลออกไปต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นก็บอกว่าเห็นมาเห็นมาเห็นมารัฐบาลไทยในผิดพลาดเลยต้องขอขามาโทษเรา ต่างประเทศก็รับรู้อย่างนั้นโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยเปิ้ลมันมันมีอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องอเหล่านี้คือถ้าหากว่ามันเกิดเป็นสุญญากาศขึ้นมาในจุลจุดหนึ่งเกิดช่องว่างขึ้นมาในจุดใจุดหนึ่งมันก็ทําให้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆก็สุขสวยโอกาสแล้วในที่สุดตกลงว่า เมืองไทยก็ใช้คุณธรรมของศาสนาอื่นมันก็เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเนี่ยเกิเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็คือพระพุทเป็เจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็คือคําที่ชาวบ้านเรียกประสงค์แต่ในปฏิบัติมันสื่อสารไม่ได้แล้วรคำว่าพระผู้เป็นเจ้ามันหมายถึงพระโยวาแล้วพระเจ้าก็หมายถึงพระโยวาแล้วก็อาจหมายถึงองค์อื่นด้วยนะฮะ คำว่าพระเจ้าเนี่ยมันเป็นคําที่ค่อนข้างสากลปัจจุบัศาสนาพุทธเราก็เลิกเรียกเราไม่เรียกพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าแต่ยังเรียกพระพุทธรูปนะดังภาคเหนือภาคอีสานยังมีพระเจ้าอยู่เยอะแล้วก็วันพระเจ้าเปิดโลกเราก็พยายามเพิ่มคําว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเพื่อจะบ่งชี้ชัดเจนว่าตรงนี้เราหมายถึงพระพุทธเจ้านะ มัตนตรงตรงนี้ให้เราสังเกตว่าถ้าเรามีศรัทธามีสติมีความเพียรมีปัญญาความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเองเสังคมจะอยู่ร่วมกันโดยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่เพราะมันมีศรัทธาด้วยแล้วก็มีปัญญาอยู่ด้วย มีสติอยู่ด้วยมีความเพียรอยู่ด้วยก็ทำให้มันเกิดการทรงเคราะห์นองเคราะกันมันไปแก้ปัญหาในเรื่องเรื่องปากเรื่องท้องเคยจะก่อให้เกิดแนวสวัสดิการขึ้นมาทีนี้สังคมพอมีสวัสดิภาพแล้วก็มีสวัสดิการในกรณีที่ประสบภัยประสบอันตรายแล้แก้ได้ทั้งสองเรื่องสังคมก็สันติแล้ว มันพูดได้เฉพาะจินตนาการคือความฝันเราทํากลุ่มเล็กๆนี่ทำได้ตัวกรุมมันใหญ่ออกแล้วก็ทําไม่ได้เพราะความแตกต่างของมนุษย์เนี่ยยังไงเราก็ทําไม่ได้จึงต้องทําเท่าที่ทําได้ธรรมะจึงต้องรับผิดชอบในส่วนตัวของปัจเจริญชนายความปัิเจริชนจะต้องมีความสํานึกรับผิดชอบ นั้นในศีลข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยพอมาถึงระดับที่สี่ก็คือหิริอตตะ ป, ปะระดับที่ห้าก็คือเมตตาอินดูระดับที่หก็คือมีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบาลีทรงใช้คาว่าต่อสัตว์ทั้งหลายแต่ตรงนี้ให้เราลองสังเกตว่าบางทีทรงใช้คำว่าปานะทั้งหลายเช่นว่าสัปปปานีดัง หมายความว่าสัตว์ที่มีลมหายใจขับออกทั้งหลายความรวรวมระวังมันจึงละเมียดละใหม่แล้วออกมาเป็นเป็นสังคมเป็นธรรมชาติเป็นอนุรักษ์เป็นอะไรๆอีกมากมายแก่กองนะคําคเนี้คาเดียวเนี่ยทำยังไงจะบรรลุป้าหมายได้คือสํารวมแม้ในสัตว์ทั้งหลายยิ่งเป็นการดีในภาคของการบัตรก็คืออภพยานคือเมตตานะคือเมตตาอินดุ ทีนี้เทวดาก็กล่าวกล่าวว่าเราต่อนะบุคคลใดประพฤติเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอยู่ไม่ทำบาปคำว่าไม่ทำบาปคือต้องไม่คิดบาปแล้วไม่พูดบาปแต่ก็ไม่ทำบาปหมายความว่ากายวิจาใจจะต้องสอดรับกัน การพูดถึงถึงไม่ทําบาปเป็นตัวแทนนะฮะคือการไม่ทําบาปทั้งปวงเนี่ยหรือเชนว่าในในอวตารปฏิโมกขี่บอ ก, กว่าสัพพะปะพัสสะกระารนังการไม่ทําบาปทั้งปวงก็หมายถึงการพูดด้วยหมายถึงการคิดด้วยเพราะว่าในช่วงต่อมาเนี่ยจึงพูดถึงการไม่ก่าวร้ายการไม่ทําลายซึ่งก็มาจากการไม่ทําบาปทั้งปวง มันพิสูจน์ว่าคนคนนี้ไม่ทำบาปทางปวงจึงไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายและในขณะเดียวกันก็มันเข้าสู่ศาสนิกระดับอุดมการคือไม่ฆ่าสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นได้ชื่อว่าผู้เป้นบาปได้ชื่อว่าผู้สงบแล้วก็เรียกว่าเป็นปันจจัยของการอะกันแล้วก็เสริมเติมซึ่งกันและกัน ผลที่ออกมาแก่จิตของบุคคลก็คือว่าดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์เข้าสู่ดมการข้างบนนะฮะสามข้อนี่จะเข้าสู่ดมการข้างบนเพราะในในที่นี้ท่านก็บอกว่าเพราะความเพราะกลัวความติเตียนแห่งผู้อื่นบนันดิตังหลายย่อมสัรเสริญบุคคลซึ่งเป็นผู้กลัวบาป แต่ไม่สันเสริญบุคคลผู้กล้าในการทําบาสนั้นสัตบุตรทั้งหลายย่อมไม่ทําบาปเพราะกลัวบาปแท้จริงอันนี้คือคือพัฒนาการทางจิตของมนุษย์นะฮะหมายความมนุษย์อาจจะไม่ทําบาปเพราะอยู่ต่อหน้าคนะ่ะกลัวจะถูกตำหนิติดเตียนกลัวจะไม่ได้รับรางวัลกลัวจะไม่รั บ, บยกย่อง หรือบางทีก็กลัวจะถูกจับกลุ่มคุ่มหลงลงโทษหรือบางทีก็อาจจะกลัวนรกซึ่งค่อนข้างละเมียดละไมขึ้นหรืออาจจะกลัวว่าเราจะติเตียนตัวเราเองได้แต่ว่าอย่างนี้ไม่ถึงกับมีวินัยในตัวเองที่เราไม่ทำเพราะมันบาปอะ่ะเกิดทางนั้นเองออก็เรียกว่ามีวินัยในตัวเองเรางดเว้นเพราะมันเป็นบาป ใครจะเห็นหรือไม่ได้เห็นใครจะยักยอกย่องหรือไม่ยอกย่องใครจะให้รางวัลหรือไม่ไม่เกี่ยวเพรา ะ, ะ ช, ชีวิตที่มันเข้าถึงอุดมการณ์เนี่ยคือเราเห็ น, เ ห, นเห็นแก่ธรรมะเห็นว่าเป็นธรรมะเราก็ปฏิบัติเท่านั้นเองเห็นว่ากุศลเราก็เจริญเห็นว่าอกุศลเราก็ละแล้วก็ไม่ต้องบอกใคร มันเป็นภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบต่อพัฒนาการชีวิตของเราให้มีราคามีความประณีตยิงๆขึ้นไปเพรานั่นหมาวว่าสัตว์บุตรทั้งหลายย่อมไม่ทำบาปเพราะกลัวบาปเพราะกลัวกลัวที่มันเป็นบาปอ่ะมันไม่ใช่กลัวคนติเตียนไม่ใช่กลัวอาญาของแผ่นดิน ไม่ใช่กลัวตนเองจะตำหนิตนเองได้หรือแม้แต่ไม่ใช่กลัวนรกแต่กลัวที่มันเป็นบาปอะซึ่งหมายความว่าโอตประนิละเมียตละไหม่มากแล้วคนประเภทนี้พร้อมจะบิดทองหลังพระได้ทำดีเพราะเห็นว่าเป็นความดีร้าชั่วเพราะเห็นว่าเป็นความชั่วท่านนั้นเอง ไม่คิดต่อจากนั้นไม่คิดจะได้อะไรจากจากการละชั่วจากการพฤติดีแต่เรารับผิดชอบในความเป็นมนุษย์ของเราในแต่ละขณะจิตจะทำพูดคิดก็อยู่ในคันลองของสินธรรมเทวดาก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคำของพวกท่านทั้งทั้งหมดที่กล่ามาเนี่ยของใครเป็นสุภาสิต พระเจ้าก็ทรงแสดงว่าก็ทานนันบัณฑิตสันเสริญแล้วโดยส่วนมากโดยแท้คือสรนเสริญกันไปเยอะทุกข้อนี่มันถูกทางนั้นแหะแต่ละคนกล่าวเพราะเขาก็กล่าวเสริมกันนะฮะท่านฟังจะลองสังเกตว่ากล่าวเสริมและกล่าวซ้ํากันแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆติทานเหล่าเนี้ย เราเจอบ่อยที่ถามเรื่องปาฏิปุคธรลิกทานกับสังฆทานเนี่ยในรายการตอบคาถามวันที่วันจันทร์คือกล่าวถึงทานในส่วนปาฏิปุคธิคือเจาะจงคนเนี่ยมันมีความยิ่งย่อนคือถ้าเราเรียงจากสูงมาตำ่ำในพระบาลีเองเรียงจากสูงมาตำ่ำ ในความว่าทานที่ถวายในพระพุทธเจ้าอันดับหนึ่งถวายพระหานอันดับสองในบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้ไปจักอันดับสในท่านผู้เป็นพระนาคามีอันดับ4ในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อจะทอนาคามีผลให้ไปจักอันดับ5แล้วก็ในท่านผู้เป็นสักขะคามีอันดับ6แล้วท่านผู้ปฏิบัติเพื่อจะทำสักขามีผลให้ไปจกักอันดับ7 และในประสบประสบระบาดับแปด 8, ผู้ปฏิบัติเพื่อจะบรรลุโสรบานอันดับเก้าแล้วก็ในคนนอกศาสนาแต่ว่าเขาได้ฌานสมาบัตินะพวกฤๅษีชีพไพร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นระดับสิบนะเป็นระดับสิบคือพระพุทธศาสนาไม่ได้ไปเสกการทําทานแก่คนนอกศาสนาเพราะว่าตัวการใหญ่มันอยู่ที่กุศลเจตนา ศรัทธาเกิดขึ้นแก่วัตถุบุคคลใดก็ทำลงไปบุญมากบุญน้อยเป็นรายละเอียดแล้วก็ในบุคลบคลผู้มีศีลบุคคลผู้มีศีลนะไม่ใช่พระผู้มีศีล น, นะบุคคลผู้มีศีลแม้นะครังใครก็ได้ที่เป็นผู้มีศีลก็ถือว่าได้บุญแล้วก็บุคคลผู้ทุศีลคือแม้แต่ไม่มีศีลเราให้ทานแก่คนทุศีล มันก็ยังดีกว่าให้แกดีรษานแล้วก็ให้บุคคลนอกาศาสนาบุคคลนะไม่ใช่นักบวชอาจบุคคลนอกาศาสนาแต่รเราไม่รด้ปฏิเสธแต่ว่าเกณฑ์วัดเรื่องบุญมากบุญน้อยเนี่ยมันอยู่ที่องค์ประกอบดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นๆ น, นะฮะว่ามันอยู่ที่ตัวเจตนาอยู่ที่ตัววัตถุอยู่ที่ตัวผู้รับ อยู่ที่เจตนาของผู้ให้นั่นก็เป็นองค์ประกอบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทานก็มีผลด้วยกันผลก็ยิ่งหย่อนแตกต่างกันเพราะองค์ประกอบของทานแต่ละ ก, กรณีกันนี้ไปเนี่ยมันไม่ทัดเทียมกัน ห, หดยใจถ้าเทียมกันมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ยกระดับ เพราะใรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการตกแต่งภพชาติใหประนีตขึ้นทำยังไงก็ก็เถอะมันก็คือก็คือย่างเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั่นแหละพบภูมิจิตเราสูงขึ้นพบที่จิตไปอุบัติก็จะประนีตขึ้นอายุวันนาสุขาภลาก็สูงขึ้นยาวขึ้นนะแต่ก็คือผลลัพธ์ก็สังขารนะฮะมันก็เปลี่ยนแปลง ความว่าพบชาติจะประนีตเหนือคนอื่นขึ้นไปได้โดยลำดับแต่ก็คือพบชาติก็คือสังสารวัตรหือการเวทว่าแต่เกิดยังไงก็ไม่ใช่พ้นทุกข์อะดังนั้นจึงทรงแสดงว่าก็แต่ธรรมบทคือ น, นิพพานนะครับตรงนี้หมายถึงนิพพานและประเสริฐกว่าฐาน อันนี้คือการเทียบนะแม้ในหมู่ทานด้วยกันก็อย่า ง, างที่เทวดากล่าวเนี่ยเราเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเทวดามาลงที่ศีลล้มาออกที่ศีลแล้เลยทานไปแล้วแต่ระพุธเจ้าก็มาสมบูรณ์ด้วยทานศีลภาวนานะหรือศีลสมาธิปัญญาก็บอกว่าเพราะว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายผู้มีปัญญาในการก่อนก็ดีในการก่อนกว่าก็ดี บรรลุซึ่งนิพพานแล้วแท้จริงหมายความยังไงหมายความว่าในดีตการนานไกลโพ้นเลยมันก็มีคนที่บรรลุมรรคผ น, นิพพานแล้วก่อนหน้านี้คือก่อนจากที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยแล้วก็มีคนบนรรลุมรรคผ น, นิพพานแต่อย่าลืมาบุคคลที่บรรลุมรรกผ น, นิพพานทรงใช้คําว่าสัตบุรุษ สารบุตรก็ไปผู้สงบแล้วคุณธรรมของสัตว์บุรุษติมันมันก็คือสีสมาธิปัญญาที่สูญยกตัวอย่างว่าสัตว์บริษธรรมในชุดที่เป็นคุณธรรมภายในใจท่านเรียกวสัตว์ธรรมนะฮะพวกนี้ก็คือจรณะสิพาในจรณะสิพานั่นแหละคือจรณะสิพาในเขามาผสมกัน ก็มีโน่นแหละมีศีลสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศีลมีอินเสียสังบรนสมบูรว์วางอินสีมีโพชเนมัตันยุตาห้ือจักประมาณในการเิ็พวกพัตตาหารและสาคิยานโยกประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นตัวอยู่อย่างต่อเนื่องก็เป็นสี่แล้วก็สัตยธรรมเจ็ดเข้าไปนะฮะก็เป็น11แล้วก็เอารูปประฉาน4เข้าไปอีก4ก็เป็น15 ัผลสัจธรรมเจ็ดที่เรียกว่าสัปพพิสัจธรรมเนี่ยก็คือศรัทธาก็คือศรัทธาก็คือศีลคือฮิริคือโอตตะปะคือผูสัจจะคือวิริยะคือสติคือปัญญาคือคือศีลไหมนะแต่ฮะคือศรัทธาฮิริโอตตะปะ แล้วก็ผูสัจจะวิริยะสติปัญญาแต่ว่าศรัทธาเนี่ยมันก็เหนือศีลไปแล้วคือเราต้องเข้าใจว่าที่ไม่พูดเรื่องศีลเนี่ยเพราะว่าเป็นการพูดระดับคุณธรรมภายในใจมันก็เกินเกินเรื่องศีลไปแล้วทีนี้ในที่นี้จังมีทั้งศรัทธามีทั้งวิริยะ มีทั้งสติมีทั้งปัญญาแล้วก็มีทั้งสุตะในขันเอก็มีหิริอต ป, ปะซึ่งธรรมะแต่ละข้อเน้นำไปสู่นิพพานได้ทั้งนั้นหลยสธายาตระติโอคังบุคคลจะข้าม่วกน้ำคือสังสารทุกข์ได้ด้วยสถาก็ไปได้ละถือวหิริอต ป, ปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกหรือว่า คนลงทุกได้เพราะความเพียรหรือสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกหรือปัญญายาบริสุทธิ์ิติคนจะบริสุทธิ์หมดจดด้วยปัญญาเพราะฉะคนที่เป็นสัตว์บุตมันก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้แต่เวลาก็เข้มข้นขึ้นเนี่ยมันจะแตกตัวออกไปอีกอนเนกอันนั้นในสารพัดเลยเป็นปริยายของธรรมะ กิจทรงแสดงให้สอดรับกับกรณีนั้นนั้นแต่อย่าลืมว่าเราจะจับที่ประเด็นใดก็ตามมันจะมีจุดบรรจบของเขาอย่างนี้คืยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนกับแม่น้ำไอ้กี่สายกีส่สายก็ชนะ่างแต่ถึงจุดหนึ่งนี่เขาไหลลงทะเลพอไหลลงทะเลมันก็จะมีรถเดียวคือรถเข็ม ถ่ามาในพุสศานามันมีมีด้วนนะรถสุดยอดก็คือวิมุติรถและเกิดสภาพจิตที่หลุดพ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ น, ะนิยามความหมายตรงนี้เป็นนิยามในะทิตตะประ ย, ายยาสูตรคือมีความชัดเจนว่าเป็นการดับหมดของสมุทัยกับทุกข์าะจิตมันก็มีแต่มรรคกันิโรธ แล้วมากนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าคงที่ะตาชินโนก็คือคงทีพวกนี้อยู่คงที่ตลอดไปถึงตามปกติแล้วจิตใจขอสามัญชนเนี่ยแม่ในระยม ก, ก็สั่นไหวตลอดนะนะสมาธิที่ก็สั่นไหวสมาธิกระป๋าก็สั่นไหวสมาวาจารสมากรมมตะสั่นไหวทั้งนั้นแหละแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านเรียกว่าตาชินโนคือคงที่เลย อาจาโลคือไม่สั่นไหวไม่ว่าจะมีแรงกระแทกยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามกระตุ้นราคะสุดๆกระตุ้นโลภะสุดๆกระตุ้นโทสะสุดๆกระตุน้นโมหะสุดๆมันไม่มีเชือ้อก็่คล้ายๆกับเราเอาเชื้อหน้าวไปใส่ลงใบใบบนหินอ่อนนะหรือกระเบื้องอะไรต่างๆกันเพือนกัน มันมีแต่ตายก็ตายอะ่ะนั่นไม่สามารถที่จะทำให้ยินออดเนี่ยเกิดเป็นตัวหนอนขึ้นมาได้หรือเน่าขึ้นมาได้ผลจิตใจที่สมบูรณ์อย่างนี้จึงเป็นกา ร, รส่งแสดงระดับอุดมการณ์รเกิดเห็นว่าที่เทวดาแสดงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความสุขในโลกียวิสัย นะขึ้นไปก็ปกยามา ก, ก็พรมโลกกนนะครับพระเจ้าก็ต่อไปที่การบรรลุมรรคผลนิพพานปัญญาใ น, เ, นเราเจอว่าเป็นเรื่องที่ตรงเนี้ทั้งหมดมันเป็นสัมผัสตรงที่ผู้มากล่าวเนี่ยพูดจากสัมผัสตรงตัวเองการที่ท่านมาแสดงที่บอกเนี่ย ก็ใกล้มามาเป็นพยานให้พระพุทธเจ้าพราะตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ในประยัยอื่นเพียงแต่ว่าใกล้ๆก็มายืนยันนะฮะว่าที่พระเจ้าทรงแสดงนะถูกต้องสมบูรณ์หมดเลยแล้วกถือเป็นสุภาษิตมาตั้งแต่ต้นเทียงแต่ว่ามันก็ประนีขึ้นประนีขึ้นประนีขึ้นประนีขึ้นนะฮะ แต่ถ้าเราดูให้ดีว่าตอนต้นๆนเนี่ยมันจะเป็นลดพวกโลภะโทสะแล้วก็โมหะก็ลดตามไปนะพอแต่พอถึงจุดหนึ่งมันจะลดที่โทสะแหละแต่เน้นที่ลดโทสะพอมาถึงข้างล่างกลายเป็นทั้งโลภะโทสะโมหะเลยนี่ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งซึ่งก็ที่จริงก็มีความสมบูรณ์นะในประศูนย์นี้ก็ถือสมบูรณ์ ว่าคนประพฤติปฏิบัติได้ก็ผลต่างๆตามที่พุทธศาสนาแสดงไว้ก็สามารถสัมผัสได้โดยกระบวนการแห่งกุศลละธรรมที่เขาเกิดสนับสนุนซึ่งกันและกันต้องฝังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องามภัยบูรในธรรมจงมีแ่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี